เรามาแก้แก้กิเลสแก้กรรมถ้ามันไม่มีการแก้กิเลสแก้กรรมก็ไม่มีการเกิดขึ้นของพระพุทธ เ, เจ้าได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละมามาสอนให้เราแก้กรรมของตัวเองด้วยตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาแก้นะแตมาแก้ให้ใครไม่ได้ก็ต้องแก้ให้ตัวเองหรือแบบทํากรรมเพิ่มของตัวเองไป อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ว่าใครช่วยเราไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่มีใครช่วยเราได้กรรมของเราเองจริงจะช่วยเราเองบุญของเราเองจึงจะช่วยเราเองต้องตระหนักตรงนี้ไว้จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวพึ่งพาคนอื่นไม่ต้องไปหาพระพิคเนตไม่ต้องไปหาหมอผีหมอเจ้าที่ไหนไม่ต้องปัญญาในคำสอนพุทธเจ้านี้แหละจะ แก้ปัญหาชีวิตเราได้หมดถ้าเราใช้อยู่เสมอเสมอสมอสม่ิเราได้เริ่มทุกข์ในออกรรมของเรากรรมอะไรล้วเนี่ยก็กําหนดดูสิอ๋อเราต้องทํากรรมชั่วมีการผิดศีลเป็นตน้นแง่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมเราก็รักษาศีลให้ดีสิให้บริสุทธิ์สิใช่ไหมล่ะ<ม>กรรมในปัจจุบันเนี่ยได้แต่กรรมในอดีตนะครับเราเคยสะสมคุ้นเคยมาไว้นะ มันเคยชอบด่าววาอย่างงี้นะในชาตินี้ก็อาจจะมาดา่านั่นได้อีกมัน <c oughs> มันคุ้นเคยเนาเป็นเป็นเป็นเรื่องความคุ้นเคยที่เราสะสมมาไว้แต่มันต้องเกี่ยวกับกรรมปัจจุบันนี้ด้วยใช่ไหมถ้าไม่มีกรรมปัจจุบันเราจะไปด่าได้ไงอ่ะยิงกรรมในอดีตเนี่ยเราเคยเคยด่าเข้าไว้แต่ว่าถ้ากรรมในปัจจุบันเราดีแล้วก็ไม่ด่าได้นี่ใช่ไหมอันนี้กรรมในปัจจุบันเราไม่ได้ฝึกไว้ดีมันก็ไปด่าเขาได้อีก เ, เอามาเรื่องกรรมของท่านเศรษฐีนะเอากรรมดีซะก่อนเพราอคนเราชอบฟังเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไม่ค่อยอยากฟังอะ่ะแต่ทั้งที่เราทำกรรมชั่วมากแต่ไม่ค่อยอยากฟังเรื่องกรรมชั่วนะมันยังไงไม่รู้มันฟังแนละ้วมันเสียวไส้ยังไงไม่รู้นะมีความพิสดารเรื่องกรรมของท่านเศรษฐีว่าในอดีตการเมื่อมหาชนกําลังสร้างพระเจดีย์ของพระกัทสปะสัมมาสัพพุทเธีเจ้าอยู่ พระอรหันต์องค์หนึ่งมาสู่เจติยสถานคือมาสู่ที่พระเจดีได้ดดแลดูชาวบ้านเหล่านั้นแล้วถามว่าพวกท่านทั้งหลายเพราะเหตุอะไรมุกทานทิพเหนือแห่งเจดีจึงยังไม่ก่อขึ้นยังไม่สร้างมุกมุกเจดีมุกเ จ, กเจเดีอ่ะมหาชนตอบว่าทองคํายังไม่พอพระอรหันต์จึงบอกว่าฉันจะเข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วชักชวน พวกท่านจงทำกรรมคือการสร้างพระเจดีย์โดยความเคารพเถิดพระรหารได้เข้าไปสู่พระนครแล้วชักชวนมหาชนว่าแม่และพ่อทั้งหลายทองคำที่หน้ามุกข้างหนึ่งแห่งพระเจดีย์ของพวกเรายัางไม่พอพวกท่านจงรู้วิธีให้ทองคำนั้นพอแก่การทำมุกเถิดแล้วก็มาสู่บ้านของนายช่างทอง นายช่างทองกำลังนั่งทะเลาะกับภรรยาอยู่ในขณะนั้นเองครั้งนั้นพระเทระก็กล่าวกับนายช่างทองว่าทองสำหรับหน้ามุกพระเจดีย์ที่ท่านทั้งหลายรับทำไว้ยังไม่พอการที่ท่านรู้ว่าทองนั้นทำให้สมควรคือให้พอแล้วจึงจะสมควรนะเขากำลังด่าภรรยาอยู่ในพระมาขอทองตอนนี้นะ เขาก็โกรธยังไม่หายกับภรรยาจึงว่าพระเถระว่าท่านจงโยนพระศาสดาของท่านลงในน้ำแล้วไปเสียไล่เพราะว่าก่อพระเจดีย์ก็คือก็คือก่อก่อที่บรรจุพระธาตุของพระผู้มีพระภาคนั่นเองเท่ากับก่อพระพุทธเจ้านั่นแหละนะแต่ด้วยความโกรธไอ้ความโกรธเนี่ยมันมีลักษณะทำลายหมด ไม่ชอบหมดขัดใจหมดเพราะนั้นมาพูดเรื่องพระเจดีก็ว่าเลยเห็นไหมเนี่ยความโกรธของเราทำลายตัวเราเองภรรยาได้ฟังแล้วก็ตกใจบอกว่าท่านอย่าทำกรรมรุนแรงอย่างนี้เลยท่านทำกรรมอย่างสาหัสยิ่งท่านโกรธดิฉันควรจะด่าหรือควรจะเคี่ยนตีดิฉันเท่านั้นเหตุไฉนท่านจึงไปทำเวรคือโกรธในพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเล่านางมีปัญญามากนะท่านใดนั่นเองในช่างทองเป็นผู้ถึงความสลดใจในความชั่วของตัวเองจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงอดโทษแก่กะระผมเถิดให้พระเถระยกโทษให้แล้วหมอบลงที่แทบเท้าของพระเถระนะนี่เป็นการแสดงความ ตำนึกผิดของตนเองว่าขอให้ท่านอย่าถือโทษผมเลยพระเทลรซกล่าวว่าโยมฉันหาได้ถูกท่านด่าว่าอะไรไม่เลยท่านจงยังพระาศาสดาให้อดโทษเถิดคือท่านไม่ได้ดา่าตัวตัวตั ว, ตวในช่างทองเนี่ยถึงจะว่าจะด่าพระเทลรก็จริงแต่คำานะ่ไปถึงพระพุเทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระเทลรซก็บอกเลยว่าท่านไม่ได้ถูกดา่า แต่ว่าขอให้ในายช่างทองเนี่ยไปขอขอมาพระศาสดาให้อดโทษเถิดนายช่างทองไม่รู้นะจึงบอกว่าท่านเจ้าข้ากรผมจะทำอย่างไรเล่าจึงจะให้พระศาสดาอดโทษได้พระเทระจึงบอกว่าท่านจงทําหม้อดอกไม้ทองคาสามหม้อบรรจุเข้าไว้ภายในที่บรรจุพระาธาตุแล้วเป็นผู้มีผ้าชุ่มมีผมชุ่ม ยังพระศ า, าสดาให้อดโทษเถิดโยมผ้าชุ่มล้างผ้าให้สะอาดผมชุ่มก็จะผมให้สะอาดเขารับว่าดีแล้วขอรับแล้วเมื่อจะทำดอกไม้ทองคำก็เรียกบุตรชายคนใหญ่ในบุตรสามคนของเขามาบอกว่ามานี่แน่พ่อ ตัวพ่อเองได้กล่าวกับพระศาสดาด้วยคำเป็นเวรเพราะฉะนั้นพ่อจะทำดอกไม้เหล่านี้บรรจุในที่บรรจุพระธาตุให้พระศาสดาอดโทษแม้เจ้าแลก็จงเป็นเพื่อนแห่งบุญของเราจงมาทำร่วมกับเราบอกลูกชายลูกชายคนใหญ่บอกว่าพ่อฉันไม่ได้บอกให้พ่อกล่าวคำเป็นเวรนี้ พ่อทำคนเดียวเถอะไม่ปรารถนาจะทำลูกชายหัวหมอบอกว่ฉันไม่ได้บอกให้พ่อไปกล่าวตำหนิพระพุทธเจ้านี่เพราะนั้นพ่อทำคนเองช่างทองก็เรียกลูกชายคนกลางมาบอกอย่างนั้นลูกชายคนกลางก็เหมือนพี่ชายไม่ปรารถนาจะทำด้วยจึงเรียกลูกชายคนเล็กมาบอกกล่าวให้ทราบลูกชายคนเล็กนั้นคิดว่าธรรมดาว่า การงานที่เกิดขึ้นแกบิดาย่อมเป็นภาระของบุตรอั น, นี้คิดแบบบุตรแท้ๆเลยเพราะว่าหน้าที่ของบุตรก็คือทำกิจของมารดาบิดามารดาบิดามีกิจมีกรรมอะไรเราต้องไปช่วยทาร่วมทาเพราะฉะนั้นจึงเป็นเพื่อนกับบิดาได้ทำดอกไม้ทั้งหลายขึ้นแล้วไม่คิดว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราทีเดียวแล้ะ นายช่างทองก็ทำหม้อดอกไม้ขนาดคืบหนึ่งสามหม้อให้สำเร็จแล้วก็บรรจุในที่บรรจุพระธาตุมีผ้าชุ่มมีผมชุ่มยังงภาษาสดาให้อดโทษแล้วด้วยผลกรรมอันนั้นเขาได้ถูกโยนลงไปในน้ำในเวลาเกิดถึงเจครั้งด้วยประกา ร, รนีนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่เจ็ ก็อัตภาพของเขาที่ตั้งอยู่แล้วในที่สุดนี้แม้ในบัดนี้ก็ถูกโยนลงไปในน้ำเพราะผลกรรมนั้นเหมือนกันคือแมายความว่าชาติสุดท้ายก็ยังถูกโยนส่วนบุตรของเขาสองคนไม่ปรารถนาจะเป็นเพื่อนในเวลาทำดอกไม้ ท, งทองคำเพราะเหตุนั้นภูเขาทองจึงไม่เกิดสำหรับบุตรทั้งสองนั้นแต่เกิดสำหรับบุตรชายคนเล็กเพราะเหตุที่ว่าเขาทาดอกไม้ทองคาร่วมกันกับบิดา พระนั้นไครก็ทําบุญไปร่วมทำกับเขาด้วยนะจะได้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยไปร่วมกับเขาด้วยขอผมมีส่วนด้วยนะครับนะอย่างน้อยก็อนุอนโมทนาสาธุสาธุว่าโอ้ท่านทำดีแล้วนะบุญของท่านจงจเจริญจงเป็นบุญของผมด้วยนะเศรษฐีนั้นพร่ำสอนบุตรแล้วบวชในสำนักพระศาสดาบรรลุพระรหัสแล้วโดยสองสามวันเท่านั้นด้วยประการชนี้ ในสมัยอื่นต่อมาพระศ า, าสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินธบาตพร้อมด้วยภิกษุห0 0รอรูปได้เสด็จมาถึงบ้านของบุตรทั้งหลายของชดิละเศรษฐีนั้นบุตรเหล่านั้นก็ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นเวลา15้าวันภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าชดินผู้มีอายุแม้ในวันนี้ ความอยากได้ในภูเขาทองประมาณแปดสิบสอกและความอยากในบุตรทั้งหลายของท่านมีอยู่หรือไม่ถามถามพระชะดีละเถระเนี่ยมาบ้านแล้วเนี่ยอยากได้ภูเขาทองอีกไหมหรือว่าอยากได้ลูกอีกหรือเปล่าของของเคยเคยใช้อยู่นี่ภูเขาทองหรือว่าเคยอยู่ร่วมกับบุตรเนี่ย ยังมีความรักความยินดีอยู่ไหมพระชดินละก็ตอบว่าผู้มีอายุตันหาคือความปรารถนาหรือมานะมานะคือความถือตัวว่าเรามีภูเขาทองและเรามีบุตรเหล่านั้นของผมไม่มีแล้วย่อมไม่มีบอกเลยตันหาและมานะไม่มีก็นี่ท่านพูดจริงนะ ถ้าพระสมัยนี้นี่อาจจะไม่จริงก็ได้ไม่จริงก็ได้อย่าไปเชื่อนะพระสมัยนี้นี่ไม่ใจเป็นพระอรหรันต์เนี่ยพูดอะไรไปก็คิดว่าจะหลอกชาวบ้านเขาอาจจะพูดได้ผมไม่อยากได้อะไรแล้วนะหรือว่าผม อ, อหมดความถือตัวอะไรแล้วนี่อย่าไปพูดไปนะถ้าไม่มีคุณธรรมจริงแล้วอย่าไปพูด เพราะฉะนั้นภิกษุเหล่านั้นเมื่อได้ฟังดังนี้จึงกล่าวว่าพระชะดิละเถระนี้พูดไม่จริงพยากรณพระอรหันตผลคือพระภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันตเพราะมันเป็นคุณธรรมอยู่ภายในใครจะไปรู้ได้ไม่มีทางรู้หรอกต้องพระอรหันตที่มีอภิญญาวยกันจริงจะรู้ก็เลยคิดว่าพระชะดิละเถระนีโกหกกล่าว ว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็แสดงพระอรหันต์เนี่ยไม่มีเครื่องหมายอะไรพิเศษนะไม่มีเครื่องใครอยาพยายามทำเครื่องหมายพิเศษออกมาที่จะอวดตัวพระอรหันต์นะอย่าไปทําจะติดใต้หรือจะเรียนพระอรหันต์ก็อย่าทําเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีนีม่มันเดินไปแล้วมีแสงออกกันงั้นก็ไม่ปรากฏนะว่างไงอ๋อ กล่าวตูอย่างเนี้ยเหรอของภิกษุเหล่านี้ใช่ไหมก็แล้วแต่ว่าจิตใจของท่านจิตใจของท่านมี ม, มีมีความไม่เชื่อใช่ไหมมีโทสะก็เป็นบาปได้นะเป็นบาปแกตัวตัวของท่านได้นะท่นี้พู้ดุจเจ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ในเรื่องมีต่อพระาศาสดาได้ฟังคําของภิกษุเหล่านั้นแล้วจึงตัดว่าภิกษุทั้งหลายตัณหาหรือมานะในภูเขาทองและในบุตร เหล่านั้นของบุตรของเราบุตรของเรานี้หมายถึงพระชดิละเถระนะที่เรียกว่าเป็นบุตรเพราะว่ารับธร ร, าาธรรมะทายาทเป็นธรรมทายาทคือรับมรดกธรรมไปได้คือรับอรหัตผลที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงด้วยอริยสัจสี่รับไปได้แล้วจึงชื่อว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าตัณหาหรือมานะในทองในภูเขาทองและในบุตรเหล่านั้น ของบุตรของเราย่อมไม่มีย่อมไม่มีไม่มีจริงๆไม่ใช่ท่านโกหกท่านพูดจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตัดพระคาถานี้ว่าโยธะตันหังปหันตวานะอนาคารโรปริปพเชตันหาภวะปริขีหนังตะมหังพลูมิพรามมนัง แปลว่าผู้ใดละตัณหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นเสียได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วว่าเป็นพรามมีคำอธิบายว่าผู้ใดก็ตามละตัณหาละอันนี้หมายถึงว่าตัดขาดด้วยปัญญาในอรหัตตะมักจริงจริงนะปัญญาเนี่ยที่ไปเห็นแจ้งในทุกที่ตัณหามันไปไปยินดีอะ สิ่งที่ตัณหายินดีที่จะไม่เป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ทั้งนั้นไม่เที่ยงทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่ได้จะไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งนั้นใะไอ้ตัณหาไปชอบอะไรไปอยากได้ไปยึดถือแล้วไม่ได้นะปัญญาเนี่ยมันไปตับตัณหาได้ตัณหามันชอบอะไรอะตัณหานั้นเป็นไปในทวารหกในโลกนี้เสียได้คือไอ้ตัณหามันจะชอบมันก็ชอบปรสาตามันรักประสาตา มันรักสีที่เข้ามากระทบประสาทตามันรักจักขุวิญญาณวิญญาณที่ไปเห็นสีตัณหามันรักเรียกว่าถวาวรประตูประตูที่อารมณ์จะมาสู่มาสู่ตัณหามันนะ น, นะแล้วก็รักทางวาวรหูรักอะไรรักประสาทหูรักเสียงรักโสตวิญญาณรักประสาทจมูกกลิ่นแล้วก็คานวิญญาณลิ้นรส แล้วก็วิญญาณที่ไปรับรู้รสรับโผฏฐะพระคือความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยที่เข้ามากระทบทางกายแล้วก็กายวิญญาณแล้วก็ทางใจตัณหามันรักหกทวาร น, นี้เรียกว่าในโลกนะในโลกก็คือในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมตัณหามันรักอยู่เท่าเนี้แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้น สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมารมณ์ก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยนะตัณหาเนี่ยมันรักสิ่งเหล่านี้แต่ว่าทัาละตัณหาเสียได้ด้วยอรหัตตะมักเป็นผู้ไม่มีความต้องการอะไรอะไรนะที่จะไปอยู่คลองเรือนไอ้ที่เราอยู่คลองเรือนเนี้ยเพราะเราอยากได้ใช่ไหมล่ะเราอยู่บ้านกันเนี้ยเ ร, เราอยากได้อะไรบ้างอะที่ในบ้านเราอะนะ เราลักอะไรเราชอบอะไรในบ้านเราอย่างน้อยเราก็ต้องชอบบ้านของเราอะนะไม่งั้นเราจะไปอยู่มันทำไมออบ้านมันให้อะไรเราล่ะมันให้ความสุขเราไงนะแล้วก็อะไรอีกอะที่ดินรถคนในบ้านเรารักเขาเราจรึงอยู่กับเขาใช่หรือเปล่าแล้วไอ้บ้านก็ดีคนก็ดีที่ดินก็ดีเนี่ยมันมาสู่อะไรเรามันมาสู่ตาสู่หูสู่จมูกสู่ลิ้นสู่กายสู่ใจเรา ใช่ไหมมันก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ธ, ธรรมรมแล้วเรากลักมันนั่นเองเพราะฉะนั้นตันหานี่แหละมันจึงเป็นเหตุให้ต้องอยู่ครองเลือนคือครอบครองการมาคุณห้าครอบครองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตันหามันชอบเราต้องรักษาไว้เนี่ยเรากลับไปบ้านเนี่ยน้ำมันท่วมบ้านเราซะแล้วเป็นไงเราจะดีใจไหมไม่ดีใจหรอกเพราะอะไรเพราะว่ า, าไอ้ตันหามันโวยมันโวยอะไรนะมาท่วมบ้านเราได้นะ อุตส่าห์รักษาสร้างมาต่อแทบแจ่หลายล้านบาทแต่ถ้าไม่มีตันหาแล้วจะไม่เดือดร้อนไม่มีตันหาแล้วจะเดือดร้อนยังไงล่ะกับบ้านบันทุกน้ําท่วมก็ตันหามันไปรักบ้านมันไปยินดีในบ้านไม่ถือว่าบ้านเป็นของเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะก็จบกันไปแต่นี้ว่าบ้านของเราเนี่ยมันดึงเดือดร้อนเพราะว่ามันไม่อยากให้สูญเสียย้ายเป็นของเราอยู่อย่างนั้นก็ตอนนี้บ้านมันไม่เป็นของเราแล้วอะน้ำมันกินแล้วหมดแล้วอ่ะมันก็เสียใจ อย่างอื่นอีกนะอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีตันหาก็ไม่มีความต้องการอยู่ครองเรือนจึงได้เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีเรือนเรือนในที่นี้ก็คือการมาคุณห้านั่นเองแล้วก็ไม่ยินดีในการมาคุณห้าเว้นเสียได้อันนี้คือเว้นตันหาเสียได้เด็ดขาดไม่มีแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้ห่างไกลาจากตันหาจริงๆอรครหันน่าบูชาท่านจริงๆพวกเราเนี่ยกินนอนอยู่กับตันหาเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยนะ กินนอนกับเขาอยู่ทุกวันเรายังไม่รู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์หรือว่าเขานําทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจงทําบุญเพื่อให้บุญเนี่ยเขาทําให้เราไกลจากตัณหาเราจะได้พ้นทุกข์นะถ้าเผื่อเรายังอยู่กับตัณหาเนี่ยไม่มีไม่มีทางที่จะพ้นนะเพราะว่าตัณหามันก็มีลักษณะที่ต้องไปยึดครองสิ่งต่างๆไว้และพอสิ่งต่างๆนั้น มันไม่ยอมให้เรายึดครองคือมันพินาศไปเราก็จะเสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าเราเรียกผู้ที่ชื่อว่ามีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วคือไม่ว่าตัณหาก็สิ้นพบพอสิ้นคือไอ้ตัณหาเนี่ยมันนําพบมาให้คือมันนั่นนนำความเกิดในภพต่างๆมาให้เราเรายังยินดีในรูปเสียงกิริสัมผัสอยู่เราก็จะต้องไปเกิดในภพที่มีรูปเสียงกิริสัมผัสอยู่ เช่นในกําเนิดมนุษย์ในเทวดาหรือว่าในกําเนิดอบายภูมิก็ได้เรายังต้องได้พบเหล่านี้พบที่ตัณหานํามาให้เนี่ยมันมีอยู่สามพบคือกาบปรพบรูปประพบอรูปประพบมันก็ไม่สิ้นทันทีพบเนี่ยเรามีชาตินี้เป็นหนึ่งพบนะชาติหน้าตัณหามันยังไม่สิน้นก็ต้องนำพบมาให้เราอีกเป็นอย่างนี้แต่พระหันเนี่ยท่านท า, ทาตัณหาสิน้นพบของท่านคือการเกิด ในชาติต่อไปก็ไม่มีเพราะความที่ตัณหาและพบเป็นของสิ้นแล้วนั่นเองท่านจึงเรียกว่าเป็นพราหมณ์พรามณั น, นี้หมายถึงผู้บริสุทธิ์หมดจดจากตัณหาและพบผู้ลอยบุญลอยบาปไปได้แล้วบาปก็ไม่มีแล้วบุญก็ไม่มีเพราะบุญมีก็ยังมีพบอีกบุญเนี่ยมันสร้างพบให้เรามันสร้างการเกิดให้เราเพราะบุญเนี่ยมันเกิดกับอะไรมันเกิดด้วยอํานาจตัณหาคนทําบุญเพราะมีตัณหา คนหมดตัณหาก็เลยไม่ต้องทำบุญเป็นพระรหารเนี่ยไม่มีบุญแลเนี่ยพวกเราก็จะต้องรู้ว่าตัณหาเราเนี่ยเป็นยังไงเรายังมีไหมตัณหามีก็เอามาพิจารณาบ่อยๆว่ามันมันเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรดังที่ท่านแสดงว่าตัณหามีลักษณะยึดมั่นในอารมณ์ติดในอารมณ์ยินดีในอารมณ์จริงไหม แล้วเห็นไหมว่ามันเนี่ยนําทุกมาให้เรากังวลไหมละ่ะสิ่งที่เรารักเรากังวลเราห่วงไหมเราคิดถึงเขาอยู่บ่อยไหมนึกถึงเขาอยู่บ่อยไหมแน่นอนนะเรารักอะไรที่สุดนะตัณหามาลักอะไรที่สุดลักตัวเองเราต้องคิดตัวเองก่อนใช่หรือเปล่าอไอ้ร่างกายนี้เรารักนะเ อ, อเดี๋ยวจะทํำยังไงกับมันดีเนี่ย ถ้ามันมีทุกข์แล้วไม่ได้ยอมปล่อยไม่ได้ท่านั้งที่ร่างกายได้เป็นศัตรูตัวร้ายเลยเพราะว่าทําแต่ทุกข์ให้ทั้งนั้นที่เรามีบ้านก็ให้ร่างกายเป็นทุกข์ใช่หรือเปล่าทําไมมันร้อนไปมันหนาวไปก็ต้องสร้างบ้านให้มันอยู่ฝนตกไปไม่รู้จะอยู่ไหนก็ต้องไปสร้างบ้านให้มันอยู่ใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าแล้วอย่างอื่นอีกหิวข้าวก็ต้องหาอาหารให้มันกินแล้วมันดีกับเราไหมล่ะเนี่ยเลี้ยงกันมาตั้งนานแล้วมันดีกับเราบ้างไหมดีไหม ไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะป่วยให้เราบ้างแล้วนะให้เราลำบากเจ็บไข้ให้เรายุ่งยากไปมุตลุดเนี่ยแต่ตัณหามันก็รักก็คิดถึงทั้งวันวันๆไม่มีคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องตัวเราเดี๋ยวจะกินอะไรเดี๋ยวจะดูอะไรเดี๋ยวจะนอนที่ไหนเดี๋ยวจะทำอะไรวันๆก็กังวลอยู่อย่างเนี้ยไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้จักมันแล้วจะรักตัณหามันไหล่ะ จะรักตัญหาไหมจะยินดีตัญหามันไหมจะพอใจให้มันมาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเพื่อนเราไม่สงสารตัญหามันไหมสงสารมันหมนะสงสารว่าแหมถ้ามันหมดไปจากชีวิตเราแล้วเราคงจะทุกข์ใจแย่เลยไม่นะมันองไปสงสารมันเนะมันไม่เคยสงสารเราไอ้ตันหาบีบขั้นเราทุกอย่างให้เราลำบากตลอดนั้นมีโอกาสที่จะฆ่ามันได้รีบฆ่ามันละอย่าไปปล่อยให้มันลอยนวลยิ้มกลิ่นอยู่ ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลเช่นโสดาปัฏิผลเป็นต้นทีนี้ก็หมดเรื่องของพระชดิละไปแล้วใช่ไหมแต่นี้ก็มีเรื่องของท่านพระโชติกะต่อว่าโชติกะเศรษฐียังไม่ได้ออกบวชนะเทที่ออกบวชก็มีเรื่องอีกหรือยังยังคลองเลือนอยู่เนี่ยยังไม่มีเรื่องที่จะสลดสังเวชต้องมีเรื่องขึ้นมาซะก่อนสลดสังเวชใจแล้วจึงออกบวช คือพระเจ้ า, าชาติศัตรูได้สมคบ ก, กันกับพระเทวทัตปรุงพระชนพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าอาชาติศัตรูคิดว่าเราจ้องมานานแล้วจะยึดเอาปราสาทของโชติกะเศรษฐีจึงจัดแจงเตรียมกองทัพไว้สำหรับลบแล้วเสด็จออกมาถึงบ้านของโชติกะเศรษฐีแต่ว่าพอเห็น พระฉายพระฉายคือเงาของพระองค์พร้อมด้วยกองทัพที่กาแพงแก้วกาแพงแก้วชั้นแรกนะก็ตกใจว่าตายแล้วกหาบดีนี่เตรียมลบกับเราหรอเนี่ยนะจำตัวเองไม่ได้นะคุมพลออกมาแล้วไม่สามารถจะเข้ามาได้นะโอ้โหเขาก็เตรียมสู้แล้วอยู่แล้วเงาเงาปรากฏเงาของกาแพงแก้วนะปรากฏออกมาในวันนั้นท่านเศรษฐีเป็นผู้รักษาอุโบสถ เราทั้งหลายเนี่ยควรจะรักษาโบสถนะอย่าไปปล่อยวันๆให้ล่วงไปโดยการไปรักษาจอทีวีไอบซไม่ต้องไปรักษาหรอกมันไม่มาช่วยเลยเรานะในพรรษานี่จนถึงวันลอยกระทงรักษาได้ทุกวันรักษาไปเถอะอธิษฐานโบสดนี่ท่านก็รักษาโบสถคืออะไรประพืนพรหมมาจันท์แล้วก็ไม่กินข้าวเย็นในเลิกกันนะนะไม่ดูทีวีแล้ว ไม่ต้องตามข่าวแล้วบรรหารจะไปช่วยน้ำท่วมที่ไหนไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องแต่งตัวแต่งตัวไม่ต้องนอนเหนือที่นอนสูงที่นอนใหญ่ลึกๆแลลึ ก, ลลกถึงศีลอยู่อย่างนี้ใจฝักไฟอยู่แต่ในศีลคิดถึงศีลอยู่อย่างนี้คิดถึงว่าเนี่ยไอ้ตันหานี่จะทำให้เราทำลายศีล น, นะแล้วก็จเจริญกุศลล้วทาอย่างอื่นเช่นฟังธรรมหรือว่าจเจริญกรรมมาถาม วันนั้นท่า ก, ก็บริโภคอาหารแต่เช้าตรู่แล้วไปวัดไปนั่งฟังธรรมอยู่ในบ้านออยู่ในสํานักของพระศ า, าสดาไม่อยู่บ้านไม่ได้อยู่ปราสาทอะไรส่วนยักษ์ชื่อยะมะโมลีเขามียักษ์คือเทวดาชั้นต่ําเนี่ยเฝ้าปราสาทอยู่ตั้งเยอะนะซุ้มประตูที่หนึ่งก็ชื่อยะมะโมลีเป็นผู้รักษาประตูอยู่ที่ซุ้มประตูที่หนึ่ง เห็นพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นมาก็เลยถามว่าท่านจะไปไหนนะถามว่าท่านจะไปไหนนะพอรู้ว่าจะมายึดสมบัติก็เลยกำจัดพระเจ้าอาตุศัตรูพร้อมด้วยราชบริพานนะกำจัดไปคือไม่ต้องไปเจอพระท่านเถิดทีหรอนะยักษ์มันก็ไล่เปิดแล้วนะแล้ว พระราชาเนี่ยก็เจ้าชาติศัตรูก็หนียักษ์มาที่วัดเหมือนกันนะครั้งนั้นเสร็จถีพอเห็นพระเจ้าชาติศัตรูจึงทูลถามว่าเรื่องอะไรกันพระเจ้าข่าแล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะยืนอยู่พระราชาโกรธมากบอกข้าบเดีท่านบังคับพวกคนใช้ของท่านว่าให้ลบกับเราแล้วแกล้งมานั่ำที่นี่ทําเป็นเหมือนฟังธรรมอยู่ใช่ไหม ท่านบอกให้กองทัพท่านลุยกับเราแล้วเราท่านแอบมานั่งฟังอยู่นี่เองแอบมานั่งเงียบอยู่นี่เองท่านเศรษฐีบอกว่าก็สมมติเทพสเสด็จไปเพื่อจะยึดเอาบ้านของข้าพระองค์ไม่ใช่หรือใช่แล้วเราจะไปยึดเอาเศรษฐีก็บอกว่าข้าแต่สมมติเทพแม้พระราชาตั้งพันก็ไม่สามารถจะมายึดเอาบ้านเรือนของข้าพระองค์ได้ถ้าหากว่าข้าพระองค์ไม่ปรารถนาจะให้ เดา ว, ว่าแต่องค์เดียวเลยพันมาก็ไม่มีทางเท้าเธอก็กลิ้วว่าท่านจะเป็นพระราชาแท้เองใช่ไหมนี่นะนี่ก็ชักฉุนแล้วจะกะบฏจะสิมาสู้กับเราเศรษฐีบอกว่าข้าพระองค์ไม่เป็นพระราชาแต่พระราชาหรือแม้โจรก็ไม่สามารถจะมาถือเอาแม่เส้นได้ที่ชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์ได้ เพราะข้าพระองค์ไม่ปรารถนาถ้าถ้าหาว่าตัวท่านตัวท่านเสด็ฐีเนะี่ยไม่ไม่ไม่ปรารถนาจะให้แล้วใครก็มาเอาไม่ได้แม้แต่เส้นได้สักเส้นหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าทำบุญอธิษฐานไว้แล้วอธิษฐานไว้เลยว่าแม่นม้ำแม่ไฟแม้ลมแม่คนทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาเอาทรัพย์สมบัติที่เราไม่ปรารถนาจะให้แล้วได้อธิษฐานไว้ดีแล้ว พระราชาก็ชักโกรธใหญ่บอกว่าเอาละฉันจะเอาตามฉันจะเอาตามความพอใจของท่านได้อย่างไรฉันจะเอาของท่านมาได้อย่างไรบ้างอะเจถีบอกว่าข้าแต่ส ม, มุดเทพถ้าอย่างนั้นแหวนยี่สิบวงเหล่านี้ที่นิ้วมือทั้งสิบของข้าพระองค์มีอยู่ยี่สิบวงเนี่ยใส่แหวนสองวงตอนหนึ่งนิ้ ว, วนี่ยี่สิบวงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนะ ของข้าพระองค์นี้มีอยู่ข้าพระองค์ไม่ถวายแหวนเหล่านี้แก่พระองค์ถ้าพระองค์ทรงสามารถก็จงถือเอาไปเถอะยื่นมือให้เลยเอาไปเลยยอาลองดูก็ได้ไม่ได้ถวายนะลองเอาไปสิพระราชานั้นก็ประทับนั่งกระยงนั่งยองยองอะนะบนพื้นเมื่อจะทรงกระโดดสามารถกระโดดไปถึงส8บปดศอกได้ถ้าประทับยืน แล้วถ้าจะกระโดดก็กระโดดขึ้น8 2ซเนี่ยได้สูงได้พระราชานี่มีพระกำลังมากก็ทรงกระโดดไปทางนู้นทีทางนี้ทีก็ไม่สามารถจะถอดแม้แวางวงเดียวได้เลยยื่นมือแล้วกระโดดดึงใหญ่เนี่ยไม่ออกแหวนวงเดียวก็ไม่ออกลำดับนั้นท่านเศรษฐีกราบทูลกับพระราชาว่าข้าแต่สมุทรเทพขอพระองค์ทรงปูผ้าสาดก แล้วทำนิ้วทั้งหลายให้ตรงแหวนแม้ทั้งยี่สิบวงก็หลุดออกมาเลยไม่ต้องโดดไม่ต้องดึงไม่ต้องทำอะไรให้ลำบากลำดับนั้นท่านเศรษฐีก็กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่สมุติเทพใครๆไม่สามารถที่จะมาถือเอาทรัพย์สมบัติที่ข้าพระองค์ไม่ให้ด้วยอาการอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าข้าพระองค์ไม่ปรารถนาแล้วก็เกิดความสลดใจในอาการโลภของพระราชา นี่นี่นี่ปลดใจเพราะอะไรเพราะเห็นปัญญาเห็นว่าโอ้โหความโลภนี่ทําให้คนทําอะไรได้ทุกอย่างนะใช่ไหมแม้เป็นพระราชาก็ไม่รู้ตัวแล้วความโลภมันบังคับนักภาษาอะไรกับเราทั้งหลายจะไม่ถูกความโลภมันมาทําอะไรให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความโลภนี่เองตัณหาเนีเ่มันทําให้มนุษย์ทําอะไรได้ชั่วร้ายที่สุด่ะไม่มีเรื่องอะไรที่ตัณหาทําให้ไม่ได้ ขอขอให้มันได้รู้ขึ้นมาเถอะขอให้ตัณหามันได้ไปชอบอะไรขึ้นมาเถอะมันทําได้หมดอ่ะช่วยยังไงก็ทําได้เพราะนั้นคุณจำลองคนซื่อเขาทําได้จากนั้นนะไม่มีเรื่องอะไรที่เขาทําไม่ได้นะก็ต้องโทษตัณหานะนะเพราะไปส่งเสริมตัณหากันนี่เราไปช่วยกันส่งเสริมตัณหาให้มันเจริญงอกงามขึ้นทุกวันนี้น่ะวิถีชีวิตของเราเนี่ย มันเป็นไปเพื่อบอริโภคตัณหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าเรื่องอะไรนะพยายามที่จะหาไอ้ลูกสมุนของตัณหามาไว้ให้มากหาเงินไว้ให้มากเพราะนั้นทุกภัยของเราก็จะเกิดขึ้นมาก